ครั้งนั้นแลพระมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณห้าร้อยรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงโอวาสสั่งสอนพวกภิกษุณี จงตรัสสั่งสอนเอ่อจงตรัสแสดงธรรมแก่พวกภิกษุณีเถิดนะก็คือให้แสดงธรรมให้พระภิกษุณีฟังบ้างก็สมัยนั้นแหละภิกษุผู้เทระทั้งหลายย่อมโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นวาระกันก็คือเวน่ะนะเปลี่ยนเวนกันไปแสดงธรรมแต่ท่านพระนันทกะไม่ปราถนาะจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวนกันหรือเป็นวาระกัน พนันธากะไม่อยากไปแสดงธรรมแต่พนันทกะเป็นพระอรหันต์แล้วนะไอ้คำว่าไม่อยากใน น, นี้ไม่ใช่ด้วยโทสะนะแต่ว่ากลัวเขาครหาเอาที่จริงแล้วภิกษุณีทั้ง500รอรูปนี้เคยเป็นเป็นบริวารของท่านในอดีตชาติเคยเป็นบาทปริจาริกาท่านเพราะว่าท่านเคยเป็นพระราชาในอดีตแล้วภิกษุณีกลุ่มนี้ทั้งห้าร้อยเนี่ยเคยเป็นหญิงรับใช้ท่านในอดีตชาติเมาท่านละลึกชาติได้ท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะไปแสดง ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามท่านพระอนุ น, นว่าดูก่อนอ น, อนุนวันนี้เวนโอวาดภิกษุณีโดยเป็นเวนกันของใครเนาแลท่านพระอ น, นุนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งปวงทําเวนโอวาดภิกษุณีโดยเป็นเวนกันหมดแล้วแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะโอวาดภิกษุณีโดยเป็นเวนกันต่อแต่นั้นรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับท่านพระนันธกะว่าดูก่อนนันทกะ เธอจงโอวาสสั่งสอนพวกภิกษุณีดูก่อนพราหมณ์เธอจงกล่าวแสดงธรรมกถาแก่พวกภิกษุณีเถิดนะท่านพนันทากะก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่านะต้องได้รับอ่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงหมดนะถ้าหากว่าสูตรใดที่ผู้ใดฟังแล้วก็ที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็เป็นผู้ให้ผู้นั้นแหละเป็นผู้ไปแสดง ทีนี้ในอัตถกถาท่านกล่าวว่าคำว่าไม่ปรารถนาคือเมื่อถึงเวรของตนแล้วผู้สอนพิกษุณีจะไปบ้านไกลหรือเอาเข็มมาเย็บผ้าเป็นต้นแล้วสั่งให้พูดแทนว่านี้คงเป็นความล่าช้าของพิสูจน์นั้นแต่การเปลี่ยนเวรการสอนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทาภาระเพราะเหตุแห่งพ น, นันธะกะเท่านั้นถามว่าเพราะเหตุไร เพราะเมื่อภิกษุณีเหล่านี้ได้เห็นพระเถระแล้วจิตก็จะเลื่อมใสแน่วแน่ก็คืออยากจะให้พรา น, นันทกะเนี่ยสอนแอบภิกษุณีเห็นหน้าปั๊บเนี่ยก็ยิ้มเลยนะสงบงั้นแหะเพราะเหตุ น, นั้นพวกนางภิกษุณีเหล่านั้นจึงอยากจะรับคําสอนของท่านประสงค์จะฟังธรรมกถาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ทรงทำโอวาทโดยวาระว่าเมื่อถึงเวรของตนแล้วนันทกะจะแสดงโอวาทจะกล่าวธรรมกถา ฝ่ายพระเถระไม่ยอมทําเวรของตนหากมีคําถามว่าพา่อเฮไรก็ตอบว่าในยะว่าภิกษุณีเหล่านั้นเมื่อพระเถร ะ, สะเสวยราชสมบัติในชมพูทวีปเมื่อชาติก่อนคือชาติที่แล้วเป็นพระราชาว่างั้นเป็นนางสนมพระเถระได้ทราบเหตุการณ์นั้นด้วยปุเพนิวะนิวาสยานก็คือระลึกชาติใต้ก็คือรู้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเคยเป็นนางสนมกํานันงั้น จึงคิดว่าภิกษุอื่นที่ได้บุพเพนิวาสานุสติยานเมื่อได้เห็นเรานั่งกลางภิกษุณีสงฆ์นี้ชักเอาข้อเปรียบเทียบและเหตุการณ์ต่างๆมากล่าวทำอยู่ก็จะพึงมองเหตุการณ์นี้แล้วสำคัญคำที่จะพึงกล่าวว่าพระนันทกะยังไม่ยอมทิ้งพวกนางสนมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เดี๋ยวพระรูปอื่นเขาระ ล, ลึกชาติได้เหมือนกันนะไปดูเออองนี้ชาติที่แล้วบอก เคมีหญิงเหล่านี้บริวารอีกมาชาตินี้ก็ยังไม่ยอมปล่อยอีกอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะขราหาเอาอ่ะท่า น, น, านท่านันทกะที่มีนางสนมห้อมล้อมนี้เนี่ยช่างงามแท้เดี๋ยวพวกมาแซว อ, อีกเมื่อพิจารณาเห็นความข้อนี้พระเถระจึงไม่ยอมทําเวรของตนงและเล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าธรรมเทศนาของพระเถระเท่านั้นเป็นที่สบายคือเป็นสัปายะแก่ภิกษุณีเหล่านั้น องอื่นเทศก็ไม่สปายะอีกต้องพระองค์นี้เทศงนั้นนะจึงรับสั่งเรียกพระนันทกะมาในครั้งนั้นแหลเพื่อรู้ว่าพิษุนีเหล่านั้นเมื่อชาติก่อนเป็นนางสนมของพระเถระมาน ะ, ะซึ่งฟังแค่นี้ก่อนแล้วก็กลับมาหาพระสูตรอีกเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็นุ่งสบงทรงบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีในเวลาเช้า ครันกลับจากบินธบาติภายหลังเวลาอาหารแล้วเข้าไปยังวิหารราชการามแต่รูปเดียวภิกษุณีเหล่านั้นได้เห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลพากันแต่งตั้งอาสนะและตั้งน้ำสําหรับล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งไว้แล้วจึงล้างเท้าแม้พิกษุณีเหล่านั้นก็ถวายอภิวาท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้ว ท่านพระนันทกะได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายจะต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่พึงตอบว่ารู้ไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทวนถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้อนี้เป็นอย่างไร ข้อนี้มีเนื้อความเป็นอย่างไรคําว่าน้องหญิงเนี่ยเป็นสำนวนของสมัยก่อนนะอย่าไปคิดว่าคิดเป็นอื่นนะไม่ใช่นะก็คือเป็นสำนวนของสมัยก่อนภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันย่อมพอใจยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้านันทะกะด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้านันทะกะประวรณาแก่พวกดิฉันเช่นนี้ยิ้มเลยนะบโอ้องค์นี้ใช้ได้ใจกว้างหน้าดูเลยนะ คือสา ม, มารถให้แสดงความคิดเห็นต่างๆได้หมดเลยอ่ะนะแล้วก็เป็นคําแสดงคาแบบสนทนาถามตอบกันถ้ารู้ก็ให้ตอบนะถ้าไม่รู้ก็อย่าตอบเหงือนกันถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ว่าั้นท่านพันันธกะก็เลยถามว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสาําคัญความข้อนั้นเป็นไนจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงตาเที่ยงไหมพิกษุนีตอบว่างไง ไม่เที่ยงเจ้าคา่ะพนันธกะก็เลยถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าคา่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเป็นชื่อของนั่นของเราเป็นชื่อของตัณหานั่นเราเป็นชื่อของมานะ นั่นอตาของเราเป็นชื่อของทิฏฐิควรไหมที่จะตามเห็นลักษณะนี้นะตาเนี่ยมีความเปรปรวนใช่ไหมควรไม่ควรเลยที่จะตามเห็นว่าตานั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอตาของเราเนาะทิสุนีก็บอกว่าไม่ควรเลยเจ้าข้าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะโสต ส ต, ตคือหหเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเจ้าค่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 ลิ sea, ้นนี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงจะฆ่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์จาข่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเจ้าค่ากายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจาฆ่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์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 ไม่ควรเลยเจ้าข่านั่นเพราะเหตุไรอ่าทำไมจึงไม่ควรบอกว่าเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิไดเห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงคือไม่ได้เจริญวิปัสสนาเพื่อรอบรู้อันนี้โดยชอบอ น, นะว่าอายตนะภายในของเราหกไม่เที่ยมเพราะเหตุนี้เจ้าค่าคือไม่เคยไม่เคยพิจารณาอย่างนี้่ะท่านบอกงั้นนะ คำว่าเห็นเห็นชอบด้วยปัญญานี้หมายความว่าเห็นด้วยวิปัสนาปัญญานะทีนี้ต่อไปอีกว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แลใช่ถ้าหากว่าพระอริยทั้งหลายเนี่ยนะที่ท่านรู้ความจริงเนี่ยท่านรู้ว่าตานี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก สิ่งนั้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านไม่ได้ตามเห็นสิ่งเหล่านั้นว่านั่นอ a, ของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรานะทั้งตาหูจมูกเลิ้นกายใจด้วยดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสีเนี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยงเสียงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เกรนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงรสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง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 พระนันทะกะก็ถามว่าพ่อนั้นเพ่อเหตุไรพิกษุณีก็ตอบว่าเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าอายตนะภายนอกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุ น, นี้เจ้าค่าคือเมื่อก่อนนี้ไม่เคยตามเห็นตามรู้ตามพิจารณาสิ่งเหล่านี้เลยดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยาสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง ย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไนจากสุวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเจา้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเจ้าค่าข้อนั้นพระเหตุไรเพราะเมื่อก่อนพวกดีฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดี ด, ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุ น, นี้เจ้าค่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละ พระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละนะพระอริยสาวกเนี่ยท่านตามรู้อย่างนี้แหละดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟอยู่นะคล้ายๆกับเอาตะเกียงมาจุดนะนะมีน้ํามันก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟนอยู่นู้นมีน้ํามันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เปลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแหลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอย่างนั้นเชื่อว่าเพิงกล่าวชอบหรือหนอแลชอบไหมหาไม่ได้เจ้าค่าแปลว่าไม่ชอบ พ, อพนันทากะก็ถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไร พิกุลีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยู่นูน้นมีน้ํามันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นใช่ไหมเหมือนกับไฟฟ้าอโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าก็ไม่เที่ยงนะ หลอดไฟพวกนี้ก็ไม่เที่ยงสวิท ก, ก็ไม่เที่ยงถามให้แสงสว่างที่เห็นเห็นราเนี้ยจะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเสียเนาะเพราะแต่ละอย่างที่เป็นปัจจัยมาสืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นต้นหาความเที่ยงไม่ได้เลยเคยพิจารณาว่าเออแสงเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไหมไม่เคยเนาะเออก็เคยซะดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแหลบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในของเรา อายตนะภายใน6ของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะเสวยเวทนาใดเป็นสกนุกก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุกก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบุคคลผู้กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอแลชอบไหมตาก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เที่ยงจากคูวิญญาณก็ไม่เที่ยงแต่ไอความรู้สึกที่เกิดจาก สิ่งเหล่านี้เนี่ยเที่ยงอ่ะคนนั้นพูดถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมหูก็ไม่เทีเ่ยงเสียงก็ไม่เทีเ่ยงโสตวิญญาณก็ไม่เทีเ่ยงแต่ความรู้สึกที่เกิดจากการได้ยินเนี่ยเทีเ่ยงพูดถูกไหมก็ไม่ถูกอีกอะนะตามเห็นอย่างงี้ไหม <c oughs> ต, ตามเห็นแบบนี้ไอ้ตัวตามเห็นนะเป็นข้อปฏิบัตินะอย่าลืมความรู้อันนี้นะเป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่หูเป็นข้อปฏิบัติแต่ความรู้ในเรื่องหูเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติ ดูก่อนเนาะเออกล่าวต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่อายตนะภายในนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับไปใช่ไหมเราเคยดีใจมากเมื่อได้บางอย่างถามว่าความดีใจนั้นยังเหลือไหมก็หมดไปแล้ว เคยเสียใจเมื่อได้รับอารมณ์บางอย่างความเสียใจนั้นยังเหลือไหมก็ไม่มีเหลือแล้วเคยเฉยๆไปเห็นบางสิ่งถามว่าความเฉยเหล่านั้นยังเหลือไหมก็หมดไปแล้วนั้นหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ทักอย่างดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยาสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละ ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่มีรากก็ไม่เที่ยงต้นไม้ต้นหนึ่งอนะแปรปลนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปลนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเงาก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน่น มีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นแลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่นั้นชื่อว่าพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอแลถูกไหมว่างเงาเนี่ยมันเที่ยงไอถูกนะพริกษุนีก็บอกหาไม่ได้เจ้าค่า ข้อนั้นเพราะเหตุไรพิชซุนีก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะต้นไม้ใหญ่มีแกนตั้งอยู่โน้นมีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลําต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเงาของต้นไม้ก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแหลบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกหกของเรา ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกสเสวยเวทนาใดเป็นสกนุกก็ตามเป็นทุกขก็ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกก็ตามเวทนานั้นเทีย่ยงยั่งยืนเป็นตติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบุคคลผู้กล่าวนั้นเนี่ยชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอแหละภิกษุณีก็บอกหาไม่ได้เจ้าข่าข้อนั้นเพราะเหตุไร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 ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละตรงนี้เนี่ยท่านนันทกะแนะแนวเรื่องตีระปริญญาอยู่นะนะก็คือฟังลักษณะนี้เรียกว่าสอนเรื่องตีรณปริญญาอยู่ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคเอานหนักเลยหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชัลท ฆ่าโคแล้วใช้มีดเนี่ยแล่โคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลําในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่คว้านส่วนนั้นนั้นคันแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แล้ว แล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือน้อแลคฆ่าวัวเสร็จแล้วใช่ไหมแลเ่เอาหนังเอาเนื้อข้างในออกหมดเสร็จแล้วก็เอาหนังไปคลุมโคไว้เหมือนเดิมถามว่ามันยังเหมือนเดิมไหมถามไม่ได้เจ้าข้าถามว่าคนั้นเพราะเหตุไร ภิกษุณีก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดนู้นฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลําในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่คว้านส่วน น, นั้นคันแล้วก็คลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเปิดปิดโคนั้นเอาไว้ แม้เขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองก็จริงถึงอย่างนั้นโคนั้นก็แยกจากกันแล้วจากหนังผืนนั้นดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเราเปรียบอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเนื้อความในอุปมานั้นมีดังต่อไปนี้น้องหญิงทั้งหลายข้อว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายใน6 ส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะพายนอกขกเนื้อล้ำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างเป็นชื่อของนันทิราคะไอตัวเพลิดเพลินตัวตันหานะมีดแหล่โคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐซึ่งใช้เถือแล่ควานกิเลสในระหว่างสัญชน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างาาอันต้อง ปัญญาเนี่ยนะเป็นตัวชำละความเพลิดเพลินความยินดีในสิ่งเหล่านี้นะเรามองเห็นแต่ว่าไม่เคยใช้ปัญญามาชำละมาเถือมาคว้านมาพินิจพิจารณาอันนี้เลยเพราะนันทกะอุ ป, ปมาชัดไหมน่าจะชัดนะของอัตามาชัดยมไม่ชัดก็ไม่เป็นไรอายตนาภายในเหรอนายตนาภายในเป็นชื่อของเนื้อข้างในอะนะ ดูก่อนพิกษุดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายโพษชงที่ภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทําให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่เหล่านี้มีเจ็ดอย่างแล้เจ็ดอย่างเป็นไฉนะดูก่อนน้องหญิงทั้งหลาย น, นะ คือโพชงนี่แหละเป็นที่ที่พิสูจเจริญให้มากคําว่าโพชงเป็นชื่อของวิปัสสนาเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยแสดงว่าเข้าใจข้อปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างดีตัวสติตัวปัญญาตัวธรรมวิจัยเป็นต้นที่พิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าโพชงโพชงที่เป็นโลกิยะเนี่ยที่เรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยที่เจริญทําให้มากเป็นเหตุให้เข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ คือเป็นเหตุให้เข้าถึงมักคจิตเป็นต้นนั่นเองมีเจอย่างเจอย่างเป็นฉนะไหนดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งย่อมเจริญสติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อการปลดปล่ยอยเจริญเพื่อการสลัดออกจากวัฏฏทุกอย่างเดียว ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการปลดปล่อยย่อมเจริญวิริยะสัมโพ์ชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปีติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยเจริญปัสสัตทิสัมโพธชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อการปลดปล่อยย่อมเจริญปัสสทติสัมโภพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อการปลดปล่อยย่อมเจริญสมาธิสัมโภพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อย ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพธชองอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเหล่านี้แหลโพชชงเจ็บที่พิสุเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจตโตวิมุติปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทําให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่ ครั้งนั้นท่านพนันธกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคําว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วนะบอกหมดเวลาแล้วอย่างนั้นลําดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นยินดีอนุโมทนาภาเศษของท่านพนันธกะแล้วลุกจากอาสนะอภาิวาทท่านพระนันธกะกระทําประทักษิณแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับ ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วเพรา ะ, ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนพิษุนีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วตอนนั้นภิษุณีเหล่านั้นก็ได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคประทมประทักศิณแล้วหลีกไปพระสูตรนี้พิษุนีเหล่านั้นก็ฟังแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ทำอะไรแต่ก็เพียงว่าเข้าใจแนวทางอย่างดี หลังจากนั้นอีก15วันพระพุทธเจ้าให้พระนันทกะไปแสดงสูตรนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแสดงอีกครั้งหนึ่งพิษุรูปสุดท้ายภิษุนีรูปสุดท้ายก็เป็นโสดาบันแสดงว่าโหคุณธรรมองค์ที่เหลือเนี่ยสูงสูงมากเลยก็แสดงซ้ำแบบเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นคิดว่าเราท่านทั้งหลายคงพอที่จะเข้าใจในวิธีการเจริญสติปัฏฐานก็ได้เรียกว่าเจริญอริยมรรคก็ได้ ที่จะเอาไปเพ่งเพียนนึกคิดไตรตรองใคร้ครืนพิจารณาในชีวิตประจำวันของเราได้ขณะไหนไม่มีตามีไหมไม่มีเนาะไม่มีหูไม่มีจมกูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจไม่มีเลยส่วนที่เหลือก็พอกพูนวิชาความรู้คำสอนเหล่านี้ให้มาก